รสแหนะ่งธรรมธรรมนะขึ้นรุทั้งปวงน ะ, ะคำว่ารสทั้งปวงก็หมดแต่ว่ารสอะไรทั้งนั้นรสแห่งธรรมนี้เป็นยอดชั้นชนะรสทั้งปวง ที่สานไว้ขึ้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีคาตเต็มพระไทยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกธาตมีความหนักเบามากน้อยเพียงไรทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจักษพระไทยเป็นรถที่บริสุทธ์ยอดเยี่ยม คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชานนั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารสที่ได้ทรงประจักในพระภัยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นด่ำไม่มีอะไรผิดไปแม่นิดหนึง่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับกีกันพระองค์ก็ทรงหากหมดได้ทรงลิ้นรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ให้ทรงลิ้นเพื่อพระไทยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวง คำว่ารถแห่งธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้ดบริจาคทานได้รับความเออเอีรู้สึกว่าใจมันทองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทำบุญให้ทานาถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี่มันทองขึ้นมันเบาไปหมด สิ่งที่เราทำไป น, นี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปเพว่ผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกเงิองขึ้นมานี่ก็เป็นลดอันหนึง่งความลด ถ, ถึงความต้านหิีนั่นก็สู่ไม่ได้อันนี้มันชนะลดความต้นหนีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองและไม่ว่าอันใด เมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทาไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทําไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอนนานาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมชาคคเจตนานี้มาจนฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความตั้หนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั่นได้ เพื่อความสุขแก่ผู้ อ, อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตน ม, มุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำคามดีต่างๆเท่านั้นการักษาศีลก็มีความเย็ยนหิดเย็ยนใจเพราะศีลนั้นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำเริดความกระตบกระเทือนซึ่งกันและกัน กระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจพร้อมกันเลยกันเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นแล้รความคาเลิศจากเราเราเองก็ภูมิใจเพราะว่าไม่ทําประโยชน์แก่ตนเองไม่รักษาตนเองโดยสมูกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลหุ่นต่อดีรสแห่สมาธิ จิตที่เคยฟุ้งเฟ้เอเหื่อมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนเป็นจิตที่เต็มไปได้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสาสแฉ่ความวุ่นวายต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจิตใจนี่ก็เป็นรถอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วพระเกิดความถูก ข, ขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความเอื้ออางมีความปีติอินดีในความสงบถุกแล้วมีใจใจที่จะพึงบําเพ็ญติดใจนตนให้มีความสงบแน่หนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อลดแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลําดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลําดับเพียงลดสมาธิก็ทําให้เราเพลิน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 ก็เป็นรถอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลําดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็าสามารถถอดถอนกิเลสขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเชี่ยนหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเสียดแทงอยู่ภามในจิตใจแล้วปัญญาคันละเอียดก็สามารถถอดถอ น, ก, อ น, นอกิเลสส่วนละเอียดอันเป็นเชี่ยนหนามส่วนละเอียดเสียดแทงจิตใจนั้นออกได้โดยลํำดับลาดับจนกระทั่งปัญญาสามารถถอดถอน สิ่งที่เป็นภยัยหรือเสี่ยงหนามนี่นคือกิเลสต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรถแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไปรถแห่งธรรมชนะทึ้งรถทั้งปวงนี่เป็นความสูงยอดแห่งรถในโลกนี้ไม่มีรถใดที่จะชนะรถแห่งธรรมได้ผู้ได ล, ลิ้มรถแห่งธรรมนี้ <c oughs> ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดตกติดใจอุมพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารถแห่งธรรมเป็นนักพึงรถทั้งวงก็หมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายและรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัติมันให้มีความผิดจาง ห่างเหินห่างเหวินจากความสุขอันเป็นบร ม, มสุขตลอดไปแม้จะเป็นรสแห่งธรรมในขั้นท่องเกี่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เป็นรสที่จะยังปู น, นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นนั้นตลอดไปนี่ท่านเรียบถาวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายได้แท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสธาอันนี้นระดับใจของนรา ทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตนเองจึงต้องมีความมั่นใจไฟเข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่ศีลธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสู่ สถานที่ดีคติ ท, ที่งามนี่คือผู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอากุศลนั้นเป็นไถ่มีมากมีน้อยก็คอยลังแกรลังควนคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอราดทั้งหลายมีพระพุธทธเจ้าเป็นต้นจึงรงติเตียนนะแนะนำสั่งสอน ให้รู้โทษของมันแนละหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำหดักลำหนักอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเกี่ยวพนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับธรรมแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก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 การแก้จิงต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างจิ่สโสกโกรกโซโมมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือเรือรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ผประพฤติปฏิบัติจะได้ดำเนินตาม นี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสมาอันจะถึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลำดับลาดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรตันส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระาว่าดคำส่งสอนข้อโครงเจ้าเลยแต่พะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าอรมณสุไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่อง ในพระไทยที่บริสุทธิ์เป็นส่วนแล้วนั้นยังไม่จำเป็นที่จะต้อ ง, องมาแยกแบ่งสันปันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาล้นล้วนไม่มีอันใดเจืออนลโลกามิตรใดๆผลจะคุ้งได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มี ประทานไม้ให้แตโลกด้วยความบริสุทธิ์พระไถยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวัสดาตาธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนาสัตว์ผู้ประพฤติธปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปรสรรคเครื่องจิดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลาดับจนกระทังง่งถึงยุทิปปนิพพาน เราจรึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นอยู่ที่ไม่ปรมปตากธนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นน้ำหนักน้ำหนักสมกับาศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ ำ, ท, ำลลที่สะอาดทำละล้างสีที่อิ่มที่สโตรตให้กลายเป็นของส่าไปตามตามกัน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 ต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมานถูกเคี่ยนถูกตีถูกเนี่ย ก, ก, การท่ำสอนบุด่าว่ากล่าวหนักเบาเป็นธรรมดาแต่จะปล่อยให้เป็นตามลําพังของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนจําก็กินข้าวหลวงเสียข้าวหลวงแต่เราเปล่าผลดีพึงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทํา การงานเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปนี่ทีเรียตัญหาอาสวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันก็ครอบงาำจิตมันทําให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทําสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความโศกะปศกโสมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลําบากทิเรียกมันเป็นของโศกปศกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดําเนินตามในท่าไปในทางนั้น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 การประพฤติธทมก็พฤติหัวใจเราหัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับปีติสู้กันจำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับา่ากับขันต้องเก็บต้องปวดนั้นปวดนี้จิตใจยอยากจะคิดไปตามมันปวดใจก็คิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุโดยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่ละอย่างลอยางความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็น อุปรสรรคจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีเยอะแต่เรายังมาฝึกมาผฝนทรมานต น, น, น, นเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบําเพ็ญอยู่ทนีนี้โลกที่เขานับถือที่เขานิยมมืกันมาเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้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 ท ร, รมาณกายท ร, รมานจิตใจของตนเพื่อเพื่อทำนี้เป็นทางที่ถูกต้องในงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่วราระแต่วราวระหนึ่งหนึ่ ง, งเป็นไปด้วยอดด้วยธรรมจึงเป็นวราระของจิตที่คิดออกด้ว ย, วยความเป็นของมีคุณค่าการทําคุณงามความดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุมนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทํา ฝืนฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ฝนดเรื่อืๆเราไม่เคยเห็นนี่เหลือจูงหมาใส่ฝนหมามันจะตากฝนเมื่อไหร่จูงใส่ฝนทั้งรอ้องทั้งรอ้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของทุนักที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ฝืนใส่ทํามันก็เป็นเช่นนั้นธรรมนั่นเป็นเหมือนกับฝนน่ะเหมือนกับเป็นเครื่องทรมานตัวเอง เปียกแฉะหนาวสั่นไปหมดเนี่ยไม่อยากทําแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภายในจิตใจแล้วมีความก็ะยิบในการพทุทธปฏิมาอา้าวยากก็ทนลําบากก็พอใจขอให้ได้บำเพ็ญกุณงามความดีน้ําความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วกันเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีชั่วเราได้เห็นประจับ ตาประจากใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปราชญ์กู้เลิอโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเรานั้นนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนตไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกโหกเหมือนอย่างโล ก, โลกทั่วไปเราขออนามัยถวายชีวิตต่อท่านด้วยคําว่าพุทธังธรรมัง ข, นงขนันนังขฉามิี้ประกานึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้กับกนันยิ่งชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็น ส, สิ่งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชื่อว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีาศาสนาเป็นผู้ครองจิตใจของเรา แทนที่จะ ก, กิเลสจะครองจิตใจไปโดยลดำดับกลับเป็นเรื่องธรรมาครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพุทปฏิบัติของเราดังที่ดำเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปขึ้นหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปลี่ยนโลกทั้งหลายอยู่มากมายคำว่าความสงบของใจความสุขของใจ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 แล้วเราก็นั บ, นบเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซ็นตนี้จึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอานาจวาสนาพอสมควรแล้วจิตวิภาพภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเลื่อนไปท้ายเมื่อไรก็าตายเถอะป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนอยู่ในสกลอาการนี่แหละถ้าอยู่ที่ไหยตายอยู่ที่สกลอาการแตกที่โซนนาการไม่ได้หมายป่าชา้าแต่แต่หมายถึงส่วนนาการด้วยด้วยกันทั้งนั้น เราจึงไม่ควรนิตกุิจาร์ทุนธิฐานที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนไหนทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องป่าธาตุนี้ประจกักษ์จัการรู้แจ้งปราา่ปราธาตาคือความตายว่ามันอยู่ในสกุลกายนี้โดยชัเดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชาัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตายให้เห็นประจักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีความเลือกหยิบ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 นั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาหยุดพันได้อย่างนั้นเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทียกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่แหละคือการประพืชปฏิบัติตนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนสมกับความรับผิดชอบผิดชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นปที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้า เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าขอให้ท่านเองขอให้อุตสาหพยายามด้วยกันจนจะสั่งชีวิตถาให้แล้วเป็นความจําเป็นด้วยกันจึงขอยุติการแสดงการทนตลอดว่าระหว่างที่ปฏิบัตินี้เธออ่าอ่อ มองเห็นตัวของเธอเป็นสัพท์ต่างๆแต่ละข้างแต่ละข้างในรูปของสัพท์ซึ่งที่กล่กาวมาก็มีที่เก่ก า, มามีจุนักแล้วก็มีโกะแล้วทั้งหลังที่สุดนี่ก็อ่าเป็ น, ปนช้นางนะบอกว่าทั้งหลังนี้พอเจอตัวเป็นช้างก็ก้มลการาบท่านนะก็กราบอ่าก้มลงไปกราบท่านเลยในรูปของช้างจะกราบช้างเหรอ ศาท่านเป็นตัวคุณเจนี่เป็นชามค่ะแล้วก็กราบาาอบาจารย์นี่ก็บอกว่าฝันอ่ า, า, าบอกว่ามองเห็นแต่ตนเป็นศัตรูท่านนี้ก็เป็นศัตว์ที่ดีเป็นท่าต่วถึงแม่ก็ไม่ไม่เปนเดียรเจีไทยเคะเป็นศัตรที่เรียบร้อยถึ่ม้เป็นกากเป็นเกาที่เรีบ้อนี่ภาวนาเห็นแ ล, ล้นั้นเหรอเขาบอกว่ามัน มันเหมือนอย่างก็เหมือนอยงกอยู่ในอยู่อยู่ในใจแตก็เห็นว่าเป็นมันเป็นฟ orm เป็นเป็นรูปร่างท่านเพ็นทก็ถามเหมนว่าเห็นออกมาเลยหรือบอกว่าเห็นในเข้าใจว่าใชทคาใช่คำว่ามโนภาพหรเป็นคำถามหรือเป็นคำถามยนี่ เป็นเล่าไล่ฟังหรือเป็นคำนถามคำถามเด็กเออเอออยากจะทราบมีความหมายได้ยังไงหรือการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติได้ผลอย่างไรแ ล, แล้วเวลาตอบแล้วคุณเกศจะทราบได้ไงเขีนจะตอบให้คุณทราบเลยนะถ้าบอกเคย อ, อยากจะถามไม่กล้าทั้งคเลยอาสาผมจะถามให้ดีม่เห็นกล้าถามเราก็ไม่กล้าตอบก็ขี้เกียจ <c ười> ถ้าถามกลัวเดี m m ỏ, m m đ đ ài, ๋ยวถ้าจะดุเอากลัวจะดุนะใหอะไรจานนี่ก็เหมือนเสือตัวห่เธไม่กล้าวามันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมัน้อดจิตวิญญาไม่เหมาะอะไรดูกระดุเวลาจะดุมันเหมาะไม่เหมาะยังดุได้ใช่ไหมเวลาก็เวลาที่เขียนก็เหมาะไม่ตอบที่เขียนเนี่ยนั่งเห็นตัวเหมาะ ขัดอันนี้ไหนก็ตมามเรามันเป็ น, ม, นโมโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วนี่ยจนหมดเอามาเทียบทั่พี่ น, าน้าเนี่ข้อเรื่องนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหนก็คือสัตว์นี่ต่เรื่องของความรุ้มกว้างแคบต่างกันเลื่อขึ้นยีแต่างกันไหเรื่องวัตจักร คือความหมุเนเย็นเขาหมุนไปแบบของเขาเราหมุนมาแบบของเรานะี่ยที่น้าเนี่ยนะที่เขาทีน้ า, นาเป็นธรรมแล้วนี่เราหมุนมาแบบของเราเขาหมุนไปืบบของเขาแต่ก็อยู่ในวงของวัตักเป็นผู้เดินในวัตตะด้วยกันนะถึงเป็นจะต้องอาศัยภาพนั้นมาถามเป็นปัญหาเอาภาพจากความคิดธรรมดาหรือเอาภาพที่เรามองเห็นในที่ทั่ทวไปธรรมดาเอามาพิจารณาก็ได้ ความอยากเดียวกันนี้เข้าใจเหรอนี่หึเข้าใจหรือยังนั่นสินี่คือค ไ, ม ไ, คไม่อยากจะตอบคุณอะเคยอธิบายให้ฟังหลหังคุั้งครั้งหนึ่งก็ไม่ค่อยอยากได้ความครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ได้